วันนี้เป็นวันแม่คนทั้งหลายก็เข้าไปแชดไปไลกันมากมายเข้ามาก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างจะโปรโมทโฆษณาเกินจริงนะฉนั้นที่จริงๆไม่ค่อยดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เท่าไหร่ะนะพอถึงวันแม่ทีก็กวีกวา่า มาก็เลยโยนก่อนก็ไปก่อนหนึ่งค่อนข้างอย่เตะใจหลายคนนะนะอ่านให้อ่านให้ฟังหน่อย <c oughs> พระคุณแม่ภายนอกร่วงใหญ่ใครก็รูแแ้แต่คุณแม่ภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมอยากเห็นแม่ภายนอกมองออกไป อยากเห็นแม่ภายในให้มองตนถ้าทั้งสี่ขันทั้งห้าเที่ยงแท้แม่ที่แท้แม่ภายนอกท่านช่วยออกกำเนิดเกิดเป็นผลให้เราได้เกิดมาเป็นผู้คนเพราะกุศลผลบุญคุณแม่เราคุณแม่ภายในคือใจที่ตื่นรู้ส่องสว่างกลางใจอยู่ ดูไม่เคลาเฝ้าตามดูตามรู้เป็นด่งเงาทุกย่างก้าวตามเราไปตลอดการสาธุ <c oughs> คือความจริงพ่อแม่ภายนอกตามเราไปไม่ได้นะแค่เราบางทีเกิดมามีปัญหากันก็ไม่ได้ตามเราไปละต่างคนต่างอยูเอ่เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้ บางทีแม่ไปมีพ่อใหม่ก็มาเล่นงานเราใช่แยมเนะี่ยหรือบางทีเราไปอยู่กับพ่อใหม่พ่อใหม่ก็เล่นงานเราแย่งกันคือพูดโลก โ, โลกมายาค่อยยอมรับความเป็นจริงเท่าไหร่นะทั้นนั้นเองก็สิ่งที่ดีที่สุดมาก็ว่าน่าจะต้องเอาพ่อแม่ที่สองดูแลพ่อแม่ที่สองด้วยพ่อแม่ภายนอกคือพ่อกับแม่จะไม่พ่อให้เราอาการ 20อาการแม่ให้เรา12อาการพ่อให้ความเข้มแข็งเราสิบยแม่ให้ความเข้มแข็งเรา12รวมเป็นอาการ32นสะอาธาตุไฟกับธาตุดินเป็นของพ่ อ, อธาตุน้ำกับธาตุลมเป็นของแมนะ่นั่นก็อย่างละแ8 สำหรับวันนี้อามาจะถามแม่ที่สองในตัวเราโดยเฉพาะสําหรับผู้ใหม่ของตาบัญชีนี่นะ <c oughs> ว่าแต่จะไม่ถามว่าแม่ในตัวเราเป็นยไงจะถามว่าความรู้สึกตัวที่ข้าพเจ้าสัมผัสและเข้าใจได้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะจะถามผู้ใหม่ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็คงอย่างอย่างไม่ต้อง เราปัญหานี้นะเพราะว่ามานี่ยังยังไม่ยุจั ก, กันเท่าไหร่แต่จะโยนคำถามนี้เป็นการเพื่อให้รู้จักกันนะจำได้ไหมคำถามว่าไงนะเมื่อกี้ความรู้สึกตัวที่พราพเจ้าสัมผัสและเข้าใจ จะเข้าใจมานานหรือนึกเข้าใจงานนี้ก็ตามแต่จะค่อพูดถึงความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยที่เราเข้าใจที่ตั้งคําถามนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์แมนกับอาจารย์วรุนีที่มาปฏิบัติตั้งหลายคอร์สแล้วเนี่ยอาจารย์แมนเพิ่งรับสารภาพาว่าเพิ่งรู้สึกตัววันนี้ <c oughs> โอ้โหทไมเป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลย <c oughs> เป็นด็อกเตอร์ในสอนในจุฬาในเรื่องฟิสิกส์ เพราะนั้นก็เลยว่ามั น, ม, นมันกลายเป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ก็ดีใจนะอายุ87ดลิบะแต่อาจารย์วรุณีเข้าใจดีเพราะคงจะไปติดความรู้อะไรมันได้ไปบังเอาดังนั้นหลวงพ่อจะใช้ไมตัวเล็กนี้นะให้ เ, เราสื่อเอาตัวนี้ใช้ใช้ไมตัวนี้ให้เสียงตัวนั้นออกเสียงตัวนั้น เอาตอนแรกเอาคุณผู้ชายนั่งชื่ออะไรนะสุรกิจอ่าคุณสุรกิจนะคุณสุรกิจเอาไมล์นี้ไปเ<ม>พีระวัฒนะชาติเนาะนี่ยคุณไปนั่งที่นั่นว่าความรู้สึกตัวที่คุณสุรกิจมาสัมผัสที่นี่กับความรู้สึกตัวที่คุณ ส, สุรกิจเคยมีมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรและที่จริงๆมันความรู้สึกตัวที่คุณสุรกิจเข้าใจเนี่ยแบบไหนมันจะเดาถูก ปุนลักษณะนี่นะไม่ต้องคิดนะเอาคนรู้สึกตัวที่คุณสัมผัสได้พูดถึงคนรู้สึกตัวสัมผัสได้เลยนะถ้าคุณคุณคิดขึ้นมาไม่ใช่แต่เอาคุณที่สัมผัสปูน <c oughs> เคลื่อนคิดแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมอเอาคุณที่คุณสัมผัสขนาด น, นี้ควารู้สึกตัวสัมผัสเป็นอย่างไรคุณพูดถึงคนรู้สึกอันนั้น มันมีความหนักแล้วก็มีความไม่วรู้สึกว่ามันยืดยืดยืดยืดในตัวแล้วก็คือถ้าพูดในทางด้านแด้านร่าง ก, กายนะแต่ว่าความรู้สึกตัวที่ที่เป็นคล้ายๆว่าที่มันไม่หลงไปคือก็จะอ้อมมานรู้สึกตัวมันจะรู้จักว่าไฟทุกอย่างอะไรมันเป็นความที่มัน มันหลงไปเนี่ยพอรู้สึกตัวถ้ากลับมาปุ๊บมันมันเหมือนกับว่าพอได้กลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอะไรคือความที่มันมันหลุดหลงไปคุณลงอธิบายแล้วตอนนี้แต่คนรู้สึกตัวที่คุณสัมผัสิขันอันนี้และเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงก็มันมันเหมือนกับว่าเป็นผู้อย่าใช้คำว่าเหมือนดิมันไม่เหมือนนะมันเป็นตัวของคุณจริงๆเนี่ย เรารู้สึกตัวที่เป็น physical อะเป็นเป็นยังไงขนาดนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนอีกแล้วนี่คือมันยากนะนี่นะเออมันมันไม่คุณรู้สึกนั่งทับขาตัวเองไหมรู้สึกแล้วมันหนักใช่ไหมหนัคุณอธิบายได้ไหมมันหนักยังไงคิดอีกแล้ว มันก็หนักอหละแล้วมันยังหนักตลอดไหมมันก็หนักตลอดครับแล้วคุณทําให้มันเบาทันทีได้ไหมทําให้เบาทันทีได้แพื่แค่ลุกขึ้นมาเมือนเดิเอาทำไมคุณไม่ลุกอ่ะให้เบาคุณคุณต้ลุกขึ้นทันทีด่มันเดียวสัมผัสเบาเลยเอาคุณลุกขึ้นอาการเป็นไงอาการกความหนักมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนไปอยู่ที่ที่เท้าแทน ความเบาเกิดขึ้นใช่ไหมความเบาเกิดขึ <t <t <t <t <t <t <t ้นที <t <t <t <t ่มันหนักจริงีรู้สึกต่างกันไหมก็รู้สึกต่างได้จะบอกว่าความหนักเปลี่ยนเป็นความเบาได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันก็จะมันก็จะถ้าพูดถึงความหนักตะกี้มันจะหนักกว่าตอนนี้อ่าหนักกว่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้าหนักตัวมันไปกดแล้ว มันก็เลยรู้สึกหนั่ะอ่ า, อาทีนี้คุณนั่งลงไปอา่าสังเกตไหมว่าเดี๋ยวเรืยืนใหม่คุณต้องสังเกตว่าขณะที่คุณยืนมารู้สึกอย่างไรก่อนนะนะอันนี้คุณนั่งลงไปจะเห็นวความรู้สึกที่คุณยืนมาเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วค่อยสังเกตว่ามันเปลี่ยนไ ป, ไปเป็นอย่างไรอา่าแล้วคุณนั่งลงไป ตอนนี้คุณรู้หรื อ, อยังว่าความหนักที่ขณะที่คุณยืนกับคุณนั่งเนี่ยต่างกันเพราะอะไรเวลาคุณยืนเนี่ยคนรู้สึกจะรู้สึกเบาวกว่านั่งแบบนี้ใช่ไหมใช่อ่ะนั่นเพราะอะไรออก็เพราะว่ามันยืนคนละยีกว่าทัาไม่ใช่ขณะคุณยืนเนี่ยฐานรับน้ำหนักมันอยู่ที่ฝ่าเท้าใช่ไหม ตอนนี้ฐานรับน้ำหนักอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอยู่ที่นาแข้งหน้าแข้งใช่ไมทำไมมันหนักกว่ายืนคุณลองยืนขึ้นอีกครั้งสังเกตให้ดีๆว่ามันหนักมากกว่ากันกี่ ก, กิโลอ่ะ ส, สมมตินะขณะที่คุณยืนเนี่ยมันประมาณกี่กิโลขณะที่คุณนั่งลงไปน้าหนัก เพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่กิโลคุณคิดอีกแล้วใช่ไหมเบากกันหนักกันใช่ไหมก็ถ่างกว่าถัากว่านั่งประมาณสามกิโลยืนประมาณสองกิโลประมาณนั้นใช่ไหมเออ คือเวลาเรายืนเนี่ยฐานรับน้ําหนักคือฝ่าเท้าใช่ไหมแ้วมันเป็นความเคยชินแต่แบบนี้มันไม่ชินแล้วก็เวลานั่งเนี่ยการไหลเวียนของโลหิตมันลงไปฝ่าเท้าแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยมันคุ้นเพราะเส้นเลือดลมที่มันผ่านตรงนั้นมันหนากว่าเพราะมันเดินทุกวันมันก็สร้างความหนาแน่นขึ้นมาแต่นั่งบแบบเนี้ย ทางรับน้ำหนักคือขากับนัาแข้งแต่ว่าเส้นที่มันผ่านไปหน้าแข้งมันจะถูกเบียดตรงที่เวลาคุณหักหัวเขาเข่าคุณงอยใช่ไหมเส้นกจะยัพับใช่ไหมเส้นพับเลือดลมที่มันจะเดินไปเนี่ยมันผ่านปกติไหมเป็นกอดเส้นเลือดไปกดเส้นเลือดได้ใช่ไหมมันก็มันจะดันไปตามกอดท้องมันอะหลายเวียนใช่ไหมแต่มันไปไม่สะดวก ใช่ไหมทีนี้พอคุณเปลี่ยนไปท่านหนังผ้าเพียบด้ยความนักหายไปใช่ไหมพอเส้นรู้สึกไหมว่าเลือดลงมันพิ่งจูดไปเลยแล้วมันจะเบาทันทีนั่นนี่คือกฎของอะไรอา น, นิจังอ น, นิจังใช่ไหมเม่กี่คุณไปกดทับกดของอานิจังเรื่องอานิจังมายควเลือดลงต้องไหลเวียนแต่คุณไปกดทับมันไว้ทําให้อา น, นิจังทํางานไม่สะดวกแต่คุณเปลี่ยนไปปั๊บเปิดทางให้กับกฎของอานิจัง กดที่ยังทำงานได้สะดวกมันเกิดความทุกข์ขังก็หายไปความสบายเกิดขึ้นเป็นธรรมะเป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกอะไรรู้สึกสบายสบายสบายขึ้นแล้วเวลานั่งทับส้นไม่กินรู้สึกอะไรทับช้นรู้สึกก็รู้สึกหนักที่ที่ คุณก็บอกว่าไม่สบายก็จบ <c oughs> ไม่ท่าไปแยกเยะทั้งความรู้สึกสบายไม่สบายดีเองเราเรียกความรู้สึกความรู้สึกอะไรความรู้สึกตัวอ่าเห็นไหมเพราะนั้นความรู้สึกตัวมันก็จะมีสองมิติอย่างเงี้ยคือสบายไม่สบายหนักเบารวมเป็นความรู้สึกตัวควารู้สึกทั้งกาย ถ้าหากว่าเออหลวอเฉลยไปก่อนคนอื่นเขาก็ตอบได้หมดที่นะั <c oughs> เออ่ะคุณคนที่สองชื่ออะไรนะนัรพรนัทพรเนาะนั น, น, น, นอ่านยากเวโรดนะดอ่านว่างไงชื่ออ อ, อ, อนัทพ ร, ร, พรเขาเขียนถอหันเข้าไปอีกตัวหนึ่งจริงไหมเอาถอนหันไปก่อนเอาอน่นเอาที่หลัง มันจะต้องเอน้อรู้ก่อนอนะฮะนัอนขคุณท่ น, น, นอรความรู้สึกตัวที่คุณสัมผัสได้และเข้าใจได้สําหรับตัวของคุณจะเป็นอย่างไรก็รู้ว่าคุณเอาไม้เข้าใกล้ปากนีดหนึ่งรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เช่นถ้าลงนั่งแล้วเอ๊เล็งหรือนิดนิคือรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรอยู่นั่นปัจจุบันนี้คือตอนนี้นั่งอยู่ใช่เราทีนี้ก็ถ้าเกิด น, นั่งอย่างนี้นะคะ ขอย่ารอบคำต่อกี้ฟังแเป็นไงก็คือนั่งอย่างนี้เราจะไม่สบายเราจะไม่สบายเพรวดทีนี้เราก็จะขยับ right? ับเลยรันี่คือความรู้สึกของตัวเองขยับจะรู้สึกไงก็จะสบายขึ้นสบขึ้นสบายขึ้นแสดงก็ยิงสบายจะไมใช่ใช่ไแสดงว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างพอการเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บทำให้การเปลี่ยนตรงนั้นได้สะดวกขึ้นใช่ไหมการเปลี่ยนภายนอกคือขยับเอรีบด แล้วก็การเปลี่ยนภายในคือเลือดลงข้างในเกิดการไหลเวียนที่สะดวกขึ้นก็จะเบาใช่ไหมการรู้เข้าใจเห็นะบวนการการเปลี่ยนแปลงทั้งสองระดับคือกายภายนอกและกายภายในตรงนี้เราเรียกว่าอะไรออกม่ถูกก็คือความรู้สึกตัวของเราเนะควนะว่าใจเราสบายขึ้น คุณก็เติมเข้าไปอีกนิดหนึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอมันจะเห็นกว้างขึ้นใช่ไหมถ้าเห็นเพียงจุดเดียวหรือจุดหนักจุดเดียวหรือจุดเบาจุดเดียวหรือความรู้สึกตัวทั้งหนักทั้งเบาแล้วก็กระจายเห็นการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นทั่วพร้อมคิดว่ารู้ยากไหมความรู้สึกแบบนี้ อ, อไม่ยากค่ะไม่ยากนะกนะทีนี้ตัวรู้สึก ตัวที่คนไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ไม่ไดมาไม่ได้มานั่งฟังและนั่งศึกษาอย่างเราเนี่ยเวลาเขาหนักเขาก็พลิกไปเลยเวลาเขารู้สึกไม่สบายเขาก็เปลี่ยนไปเลยความรู้สึกตัวแบบนั้นกับความรู้สึกตัวแบบที่เราสัมผัสได้ตรงนี้สำหรับของเราของเขาเนี่ยต่างกันอย่างไรออถ้าเป็นสมัยก่อนนี้รู้สึกมันก็จะไม่ยัง่งยืนก็คือแบบว่ารุกพักเสร็จแล้วเราก็ เราไ ม, ไม่สังเกตตัวเราเองแล้วเราก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกอแล้วก็ร้อยครั้งพันครั้งก็เหมือนเดิมใช่มเหมือนเดิมรเราเรียกสติระดับนั้นว่าสันแชตยานหรือเราไม่รู้ใช่ไ้ยเรียกว่าอวิชชาจะได้ไหมไม่รู้เท่าทันใช่ไหมแต่ตอนนี้เริ่มรู้เท่าทันแล้วใช่ไมัมยพอรู้เท่าทันมันเปลี่ยนเป็นสติสัมปชัญญะแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันเราเปลี่ยนด้วยความ อยากใช่ไหมว่าไม่สบายก็อยากเปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนให้มันสบาย อ, อยากเป็นความต้องการความสบายเป็นความอยากนะเพราะนั้นเราเปลี่ยนด้วยความอยากแต่พอเรากลับมาศึกษาเราเปลี่ยนด้วยความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวแม้เรามาปฏิบัติแล้วก็ตามคิดว่าเราจะเปลี่ยนด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวได้ทุกครั้งไหมล่มาสุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทุกครั้งต้องฝึกอะ หมายความว่าบางครั้งก็เผอเปลี่ยนไปใช่ไหมเวลาคุณพงุ่งว่ารอบคำเนี่ยคุณรู้สึกตัวว่าได้พงกมั้หรู้สึกใช่ไหมถ้ามันพงกเลยไม่รู้สึกก็เป็นสัดทัศนในขณะที่เราพูดเนี่ยมีส่วนอื่นที่เราไม่รู้ด้วยก็มีใช่ไห ม, มเช่นตแต่ตอนนี้ทราบแล้ววดีเขาปีมือเนี่ยใช่ขณะนี้ที่ส่วนที่เราไม่รู้มีไหม มีการบางส่วนเคลื่อนไหวที่เรายังไม่รู้ในตัวเราขณะนี้แต่มันก็ทําหน้าที่อยู่มีไหมเช่นอะไรบ้างป่าคุณหายใจได้ตามรู้ไหมไม่รู้ภาพตามีอยู่ใช่ไหมมีอ่าใช่ไหมใชนี่ความรู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวแต่เรายังไม่รู้ก็มีเพราะอันนี้ละเอียดไปใช่ไหมแต่ในส่วนนี้ที่เราสัมผัสได้คุณถืออย่างเงี้ยรู้สึก มือหน่วงไนหะรู้อ้าวรู้ตอนที่หลวงพ่อถามนี่แหละเห็นไหมเราจะเห็นว่าด้วยความเคยชินขอเรอเนี่ยมันครอบงำเรามากเลยเราก็ค็ยตามรู้ไปเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้ววันหนึ่งมันรู้ได้มากคือมันเกิดเขาเรียกว่า a w a k e n i n เกิด a w a k e n คือการตื่นรู้พร้อมๆกันทั้งกายทั้งใจมันจะทะลุหากัน เอออันนี้คุณตอบได้เลยหลวงพ่อตอบอย่างนั้นจะอย่าก็ยังนะ <laughs> ไม่ใช่ความรู้สึกตัวของคุณนะความรู้สึกตัวต้องพยายามทำให้มันเป็นน ะ, ะต่ามาคุณคุณลุงตะวันความรู้สึกตัวที่คุณสัมผัสและเข้าใจได้ตั้งแต่รู้จกักปฏิบัติเรื่องนี้มานะเป็นอย่างไรก็เวลาที่รู้สึกตัวนี่เราจะรู้สึกกายาทั้งทั้งาง แล้วก็ช่งที่รู้สึกตัวนี้ยก็จะมีความคิดเข้ามาแต่เมื่อไห็แล้วก็ําที่เราเผอเนี่ยบองทีความคิดก็ค่อยๆย่อนเข้ามาในขณะนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมขณะนี้ไม่่มมออนูพ่อกาลังถามขณะนี้อ๋อขณะนี้ก็คือเกงรูสรร้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวทั้งร่างกายรู้สึกตัวว่ากาลังพูดกำลังสื่อไงรู้สึกตัวว่ามือกำลังจับที่ขา รู้ไหมว่าอาการหนักที่จะพูดที่ขามีอยู่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ำหนักในกดทัค่ะทับอะไรกดน้ำหนักในกดทัตรงขาแล้วขาเราก็งอแล้วก็มันก็เหมือนเราไ่ได้ไหลเวนขาเราไม่ได้อยู่เลื่อดมันไม่ไม่โลมันก็เราสมมติเขาจับคนที่ตายแล้วมานั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกปวดขาไหม เพราะอะไรเพระ้ทำไมตอบยากเพราะมีความรูสึกตัวเพราะไม่ีความไม่ใช่ไม่มีตัวรู้คือวิญญาณกายะวิญญาณไม่มีละทีนี่ที่เรารู้ได้รู้ด้วยกายะวิญญาณใช่ไหม แต่เข้าไปรู้ว่าเพราะอะไรมันจึงหนักแล้วก็ปรับเปลีนน่ยนหนักเป็นเบาปรัเป็นเบาเป็นหนักได้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นวิญญาณละขเขาเรียกว่าเป็นญาณรู้ในรายละเอียดแต่รู้เพียงแต่ ว, ว่าเออขานี่ปวด น, นะขาที่หนักนี่เบานะรวมๆนี่เรียกว่าวิญญาณด้วยสัญชตาตญาณแต่ผู้คุณผู้คุณเริ่มรู้ถึงเปรับหนักเว้นเบ า, เ ป, บาปรับแล้วก็ว่ารู้ว่ามันหนักเพราะเราไม่ทํา หรือไปขัดกฎของความเปลี่ยนแปลงแต่พอเราปรับกฎกานกระเบให้มันเกิดการได้เปลี่ยนไปตามทางของมันมันเกิดอาการเบาก็รู้ว่านี่มันคือเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเปลี่ยนแปลงมันมันก็ได้ทำงานแต่พอเรากดนั่งแช่เราไม่เปลี่ยนแปลงมันมันก็ถูกกดอยู่ตรงนั้นหนักนะแต่เรารู้ด้วยว่าเออนี่เราเปลี่ยนแปลง นี่ตัวรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแล้วรู้สึกอย่างนี้การตามรู้อย่างนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาแต่คนทั่วไปที่เขาไม่เรียนรู้เรื่องนี้เขาก็เปลี่ยนเหมือนกันเขาก็เบาเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่เกิดองค์ความรู้เพราะฉะนั้นตัวตรงนี้แทนที่มันจะเป็นญาณมัน ก, ก็ยังเป็นวิญญาณอยู่เพราะเขาไม่รู้องค์เขาเรียกองค์ประกอบของมันนะนี่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นใน การที่รู้แบบธรรมดาพยายามรู้ซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วก็รู้เข้าไปชัดๆหลายๆครั้งตั้งใจที่จะรู้นั่นแหละรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาปัญญามันเกิดเองอ่นะแต่ว่าไม่ต้องไปสงสัยมันจะเกิดอย่างไรนะเหมือนคุณเอาเม็ดถั่วหรือเม็ดผักลงดินเนี่ยคุณไม่เคยสงสัยอะ ว่ามันจะต้องงาะใช่ไหมคุณให้น้ำเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติอันหนึง่งตัวที่จิตเข้าไปสัมผัสอาการรู้ความรู้สึกตัวที่มีมอยู่สัมผัสบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะเป็นเหมือนกับเม็ดผลไม้มันแตกขึ้นมามันอันนี้มันก็เกิดความรู้ตัวใหม่ขึ้นมาอาจจะไปรู้ในรายละเอียดลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวพัฒนาตัวรู้ขึ้นไปที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานเหมือนเอาเม็ดถั่วมาลงดินแค่นั้นเอง ส่วนเราแช่ไว้นานๆแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแหละที่นี่เติบไปเป็นตุนอะไรมันก็จะค่อยรู้จักไปความรู้สึกตัวเล็กๆอย่างเนี้ยถ้าเราตามรู้มันไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาเป็นรู้ต่างๆขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปรู้จักเรื่องปริยัติเลยแต่มันจะค่อยรู้ขึ้นมาเองปริยัติก็มาหาสวมใส่ทีหลังก็ได้แต่ให้รู้สภาวะมันเสียก่อนเข้าใจมัมเอาต่อไปคุณเห็นว่าเคยปฏิบัติที่บ้าน ประจำไม่ค่อยมีเวลามาเข้าคอร์สอะนะชื่อคุณอะไรนะ ช, ชื่อพาิพันธ์ค่ะพาณิชย์ค่ะาณิชาค่อยยังไม่ได้ลงชื่อนะเอาอยู่ในกลุ่มเก่าสิใช่ไหมอามาลงในกลุ่มเก่ากุ่มพาณิชั์เนาะพาณิพนัธนธ์ค่ะอ๋อพาณิพนัธนธ์ขอโทษด้วย น, น, นั่นนะนนอะไรอย่างนขึ้นอย <c oughs> <c oughs> ู่บูก น, นะ เพราะฉะนั้นในที่ตามที่ทราบว่าข้อมูลส่วนหนึ่งว่าคุณเคยปฏิบัติในที่บ้านเพราะว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กรุ่นอรุ่นซึ่งได้ศึกษาขลงพ่อนำไปศึกษาปฏิบัติเรงนี้มาสองสามปีก็มีโอกาสได้เข้าดินได้ฟังบ้านแล้วก็นำไปปฏิบัตินะแล้วก็ทาที่บ้านกับมาประมาณเท่าไหร่สองสามปีแล้วเนาะมีโอกาสทำเรื่อยๆหรือนานๆทำที ทำทุกวันที่ลูกไปโรงเรียนนะะถ้าลูกอยู่บ้านรไม่ทมาทที่โรงเรียนหรือทาที่บ้านทิว่าลูกไปโรงเรียนล้วกลับบ้านเรก็ทนั่งยกสิสีจังหวะนี่นะใช่แต่ละครั้งนานไหมวด้วยก็ช่วโมงอทุกวันหรือเป็นบางวันส่วนใหญ่ถ้าาจถึงสูกค่ะสองอาทิตย์ก็จะไม่ได้ทำเพราะว่าลูกไม่ได้ไปโรงเรียน ทำไปตอนที่รูกไปโรงเรียนเทั้นั้นเองก็ความรู้สึกตัวที่สัมผัสเข้าใจได้เป็นยังไงในช่วงที่ทํา้ารู้สุดตัวเลยจะรู้สึกสงบอบอุ่นเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปไหนไมันอยู่ในกายเราเราจะรู้สึกมีความสุขดีอะไรที่มาสัมผัสกระท ong ก็จะทัน เช่นบางทีนั่งไปสร้างจังหวะไปเกิดเวทนาที่ทางกายกเมื่อเพข่งเรียกก็ตามตรงนั้นบางทีเวทนาเกิดขึ้นที่จิตเช่นรู้สึกเบื่อรู้สึกตัวเพลินเริ่มเข้ามารู้สึก ตัวเผลอเริ่มมาความคิดเริ่มเข้าตัวนี้ถ้าไม่ทานพวกก็ไปถึงง่วงเลยค่ะแล้วรู้ไหมว่าอาการหเหล่านี้ยพวกรู้สึกเผลอรู้สึกง่วงรู้สึกสบายพวกนี้ยมันเกิดจากอะไรความความรู้สึกตัวตัวตอนนี้นะคะค่ะมันแล้วถ้ามัน รู้สึกดูด้วยพร้อมจริงความเผอความง่วงความคิดมันจะมีความเบื่อมันจะมีไหมไม่มีแต่นั่นแสดงว่าความรู้สึกดูด้วยพร้อมไม่ยังไม่เข้มแข็งแค่มัามันว่าเข้มแข็งรู้อยู่แต่ว่ามันมีกําลังก็ทําให้อาการเหล่านั้นเกิดขึ้นอาการเหล่านั้นก็มีอาการทุกเวลาทางกายแต่มันไหลเข้าไปสู่จิตแต่มันจะออกมาเป็นความเผอความเบื่อความขี้เกียจพวกนี้นะเพราะอาการทางกายเราไม่ถูกปรับความจริงคุณไปรู้เรื่องของความสงบเรื่อความตั้งใจอยากให้ใจสงบเนาะ ที่ทำเนี่ยนะไม่ได้งงให้สงบค่ะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู<ช>้สึกตัวทั่วพร้อมแต่รู้สึกที่สงบสบายอย่างเงี้ยนะ<ช>แต่เนื่องจากเวลาคุณเปลี่ยนคุณปรับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อได้ทําบางทีนั่งนานจนเผลอจนเบื่อไปเลยใช่ค่ะจะต้องมีบางทไปต้องเผลอไปนั่งยาวไปพอเรานั่งนานะเนาะใช่ค่ะ ท, ทั้งๆที่เราต้องการไม่ใช่ว่าต้องการที่จะสงบเราต้องการ ร, า ร, รู้ต้องการรู้สึกสบายเนี่ยนะ แต่แต่เราความสงบรู้สึกถ้ากายไม่สบายเนี่ยถือว่าความสงบสบายไหมก็ไม่สบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสงบไหมเพราะว่าเวทนาก็สงบเวทนาสงบมันถึงว่ากายไม่ไม่ถูกทุกเวทนาบีบคั้นจิตก็สงบด้วยแต่คนส่วนใหญ่ว่านั่งให้มันแต่งที่เลยนานที่สุดเพื่อให้จิตไม่สงบจิตมันสงบไม่ได้เพราะกายมันไม่สงบเพราะตัวไม่สงบทางกายนี่เองมันไปสร้างความไม่สงบทางจิต เพราะนั้นพอเราไม่สามารถปรับให้เวิานาทางกายสงบ ก, ก็จะไปให้จิตสงบไม่ได้มันสงบได้ก็ต้องเมื่อเราสะกดมันไว้พอคุณเพลอ่ปับ๊บมันก็ง่วงมันก็เบื่อก็เซ็งก็คิดไปเลยนี่คือผลว่าเรายัางไม่ได้มาเข้าคอร์สองค์ความรู้เกี่ยวกับสุตตะมยะปัญญาของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะนั้นนี้ผลดีของการมาเข้าคอร์สมีโอกาสได้วิเคราะห์วิจัยร่วมกัน แต่อยู่บ้านเราอาจจะได้ฟังได้ยินแต่ว่าเอาไปทำบางทีทําถูกบ้างผิดบ้างเราก็มาเห็นผลชัดเจนนะเราก็ได้ความสงบบ้างเล็กๆน้อยใจสบายบางครั้งแต่มันก็ยังมีความเบื่อความคิดความปรุงแต่งฟุ้งซ่านอะไรอยู่มี ม, มีเยอะทีเดียวนะนี่คือวิธีการเข้ามาเพราะนั้นความรู้สึกตัวในการที่คุณสัมผัสและเข้าใจเนี่ยมันก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังมีตัว นิวณ์เยอะอยู่นิวนณ์ต่างๆความง่วงความเบือ่อความเลือความสงสัยพวกนี้นะความคิดพวกนี้ยังมีอยู่เพราะนั้นความรู้สึกปวความที่มีอยู่มันยังไม่มีกำลังเพราะนั้นมาเข้าค่อไม่มีโอกาสทาได้ต่อเนื่องเพิ่มกำลังให้สติสมัญ ญ, ญาใช่ั้มอ่ะหนูคนต่อไปอขอประการนะบอกชื่อเลยเนาะชื่อสุภาราฉงานที่ สุภ า, าดาชำนาญกิจะ <c oughs> มะครั้งแรกใช่ไหมเคยปฏิบัติมาตอนต้นปีอะค่ะช่วปีใหม่ไมเข้าคอสวนสตีมาเข้าคอรึสค่ะอ๋อสวนสตีมาขององค์พระทองเนอะอาะแล้วเป็น ไ, ไงบ้างคนรู้สึกตัวที่หนูเข้าใจนะความรู้สึกตัวของหนูแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะคะแบบหมายถึงว่าบางครั้งมันก็ชาร์จค่ะมันก็ไม่ชาร์ด อย่างบางครั้งเราเห็นแค่แขนเรายกหยุดเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเราก็เห็นไปถึงว่ า, าเราก็พิฟเราหายใจเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าขนานี่หนูรู้สึกยังไง ร, รู้สึกหนูจะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะ <c oughs> จนลืมปวดขาไปเลยใช่ไหมเพราะตื่นเต้นนี่เป็นเป็นความรู้สึกทางการหรือทางใจทใจอะค่ะ ทงใจเพราะอะไรจริงๆเต้นแ่ว่ก า, ายมันก็จะสัส่นๆนิดนึงค่ะอ๋อหรือรู้สึกตัวได้ไหมความรู้สึกควาคครู้สึกตัวสัส่นๆมันเป็นเป็ น, ปนมันรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์มันไม่สุขอ่ะออแสดงว่ามันทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยว ม, <c oughs> มันก็นั่นแหละก็เรื่องมันสั่นสั่นเพราะเราไม่คุ้นใช่ไหมไม่คุ้นกับกิจกรรมแบบนี้มันก็เลยเกิดความอ่าไม่ไม่สบายนะทีนี้ มันลำดับดูว่าความรู้สึกตัวที่นั่งนานๆเนี่ยโดยที่เราลืมพิกลืมเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกตัวทุกพร้อมไม่เข้มแข็งใช่ไหมเมื่อมีอะไรไปสัมผัสข้างแรกเนี่ยเราก็รู้สึกสื่อกับความรู้สึกตัวไม่ค่อยได้ความรู้สึกตัวที่สื่อได้เป็นความไม่สบายมันก็ไปบวกกับสิ่งที่ใหม่ๆก็ทำให้จิตของเราอ่าสั่นคลอนใช่ไหกังการของเราก็สั่นไปด้วยมันก็มาจากจิตที่เราสั่นคลอน แต่ถ้าหากว่าหนูจับความรู้สึกตรงนี้ให้ชัดๆก่อนมันเห็นทั้งหมดจิตของเราจะมาอยู่นี่เป็นประมาณ 70- ็ดหรือแปเเซใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันจะไปอะไรไปเขย่าเนี่ยมันก็ไม่สั่นละแต่ตรงนี้พอหนูสือ่อความหมายกับตรงนี้ไม่ได้ไม่ชัดปับ๊บจิตมันก็ไปทุ่มเทกับสิ่งที่ที่เรากําลังคิดอาจจะคิดจะพูดอย่างไรจะถามอย่างไรจะตอบอย่างไรนี่แนะมันก็ไปติดเข้าไปอยู่ในนามาลูกอันนั้นมันก็ให้เราหลุดไปจาก แทนที่จะ 70% มันเกิดอะแค่หเปอย่างเี้นะเธอก็เข้าไปเรื่นี้แปก้ิซมันก็เลยถูกเขย่าใช่ไหมตอนนี้หาอะไรอย่างความรู้สึกสั่นหายแล้วใช่ไหมอ่านี่เขาเรียกขวนกลับมาขวนมาขวนมาแล้วก็มีอีขวนไว้ว่ากําลังสติสัมปชัญญะนะเขาเรียกความรู้สึกตัวเพราะนั่นความรู้สึกตัวถ้ามันอยู่ที่ตัวเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงแต่มันหลุจากตัวไปเป็นจิต เป็นนามาูปมันก็จะไม่มันคงมันจะออกมาเป็นความคิดและอารมณ์ทำให้เราตื่นเต้นหรือตกใจเนี่ยนะพอะเราไปถึงกลัวอะไรต่ออะไรอันนี้เ็าเรียกว่าจิตมันมันเบาเพราะว่าตัวรากฐานที่มาจับความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันไม่แน่นนะฉะนั้นต้องไปทำไปทำความรู้สึกตัวนี้ให้ชัด อย่าไปเห็นว่าเอ๊ะบางเรื่องธรรมดาไม่เห็นมีการเจ็บคนเปิดค น, มนเมื่อยธรรมดาเันก็เป็นมาตลอดชีพิไม่เห็นว่าจะมีอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเราก็เข้าไปดูถึงใช้คาว่า i n s i ซต i อินไซต์แปลว่าอะไรคุณสุริกิจยนยนมันอินไซต์คนราดัวนะ i ินไซต์ไม่ใช่ตัวคำเอาซนะไซตัวนั้น S I D E ใช่ไมแต่ ไซดอรนี่มัน s i g t อ่าดูเข้าไปข้างในอ่าเข้าดูเข้าไปข้างในไม่ใช่ในใจนะในตัวร่วมทั้งกายทั้งใจอ่า uh, ดูทั้งกายทั้งใจจะเป็น Insight ซเราจะนึกเหมือนแปลว่าวิปัสสนาใช่า Insight Meditation เพราะฉะนั้นเห็นว่าระหว่างภายนอกภายในสัมพันธ์กันนะให้ชัดบันนั้นไปตั้งใจทำตัวนี้อย่าไปคิดเป็นเรื่องธรรมดานะ เวลาจะลุกก็ตั้งใจลุกขึ้นให้เห็นการหนักหายไปการเบาเกิดขึ้นเวลาจะนั่งก็นั่งลงไปเห็นอาการหนักหายไปอาการเบาเกิดขึ้นเพื่ออาการหนักเกิดขึ้นอาการเบาหายไปตามรู้อย่างนี้แล้วเธอก็จะได้เข้าใจว่าความรู้สึกตัวจริงๆเป็นอย่างไรอ่ะคุณถัดไปเซนสุดาชำนาญกลิ่ค่ะอาชีพชำนาญกิ่นเหมือนกันเลยคุณแม่ครับ อ๋อเหรอมแม่กับลูกเหมือนกั น, อนเอยเท่ากันเลยอนดนะอ <c oughs> ุ้งนำมาค่ะอ๋อลูกพามาโอ้ได้บุญเนาะเนาะสุดาชำนันกลิ่นป็ ไ, ปไงบ้างพอจะรู้สึกความรู้สึกตัวเป็นไงพอจะดูออกหรือยังวันนี้วันนี้ปฏิบัติอตามที่พระอาจารย์สอนอว่าให้ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยท่านแป๊เดียวห้านาทีลูกไปลุกไปนี้วันนี้ก็เลยสุดหนักนะรู้สึกหนักสะโพอ่า ค่ะก็วันนี้อ่าพอมีอาการหนักทำสะโพกหรือว่าปวดเมื่อยล้าอะไรเงี้ยก็พยายามทุมแล้วก็ตามที่แมาจย์บอกค่ะว่าให้ขยับนิดเดิอะไรก็ได้ค่ะก็รู้สึกรู้สึกว่าเออเราทาได้นะขึ้นครึ่งชั่วโมงบางทีสี่ห้านาทีค่ะก็เลยรู้สึกระบมเหอนนระบมอระบมเลยเหรอใช่แล้ขยับเรื่อยๆทำมันระบมก็รู้สึกว่าปกติมันมทนไม่ได้ต้องลุก แต่แตอนนี้คือเหมือนถือว่าทุกเวันก็รู้สึเราทำาได้เวลาใหญ่ๆออไปคือเจ็บนิดนิด น, น, น, น, น้อยลงนะไม่ได้มากไม่มากอเคแล้วต้องลุกขึ้นเลยเคยทามาก่อนไหมปฏิบัติในในสาุลูกโทรค่ ะ, ะในล<ท>ักษณะนี้ทำมานานไหมอ็อยู่บ้านปฏิบัติทุกวันโอ้ทุกวันทามาหลายปีหร้อยัง อลายปีแล้วเมัน่เาได้ไม่ได้เนรู้การสอนอรอย่างเงี้ยค่ะว่าตอทำมาตั้งแต่ก่อนมีคุณลูกสาวนี่หรือเปล่าหรือว่าหลังมีรู้สาี่ะมีลูกสาวนี่ก็คือตั้งแต่ไม่รู้อะค่ะอนทีมีมุแม่สให้ันพนะตี่อะไรอย่างเงี้ยสมะแค่นั้นนแต่ไม่รู้ เพราะนั้นคุณสุภาดาถ้าหากว่าคุณแม่ไม่ได้คุณแม่อย่างนี้เธอก็ไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องนี้ใช่ไหมเธอก็ไปเล่นไปสนุกในเรื่องนี้นี่คือเขาเรียกว่ามีมตั้ง แ, แต่เด็กแล้วใช่ไหมาานี่เห<ม>็นไหมเออถ้าแม่อย่างนี้น่ากลับเล่อยะ <c oughs> คือพาลูกเข้าวัดเข้าวังแม่บางคนไม่ให้ไปวัดเลยแหละนะดังนั้นคุณสุดาคิดว่าความรู้สึกตัวตัวเนี้ที่เข้าใจได้เนี่ยซึ่งโยมมีฐานมาจากอุทโธนะ ก็จิตมันก็นิ่งระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เอาจิตที่มันนิ่งอยู่ระดับเนี่ยเข้ามาดูอาการของกายความรู้สึกตัวนี่ให้มากขึ้นไม่ใช่ดูกายนะแต่ดูความรู้สึกที่เกิดจากกายเราเราก็ไม่ได้เน้นกายแต่ว่าคุณต้องการอากาศที่เย็นคุณเปิดพัดลมแต่ตัวลมตัวพัดลมมันไม่ได้เย็นหรอกนะแต่อาการของการทํางานของพัดลมนลั่นแหละมันทําให้เกิดอาการเย็น กายเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าการทํางานของกายเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนคุณเปิดพัดลมนะเพราะฉะนั้นได้รับการเคลื่อนไหวหอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอาการอาการเหล่านี้เราจะเรียกว่าความรู้สึกก็ดูอาการเหล่านี้แหล ะ, ะทีนี้ที่ดูมาสวันเนี่ยรู้สึกว่า อาการเหล่านี้ยมั น, ม, นมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มความไวขึ้นไหมมันเพิ่มความชัดเจนขึ้นไหมหรือมันยัยงเหมือนเดิมชัดขึ้นชัดขึ้นนะชัดขึ้นเพราะหมือนกับแยกเหมือนกับแยกได้ว่านี่อไรนการกับใจอะไรนี้กกับใจในขณะที่โยมโพูดเนี่ยโยมมีความรู้สึกหลักๆอยู่กี่อย่าง ความรู้สึกหลักที่รู้ได้ขณะนี้มีกี่อย่างสองอย่างสองอย่างคือหนึ่งรู้สึกทางกายว่าหนักๆนักหน่วงเจ็บคันเย็นหนาวทุวนั้นทุนี้ใช่ไหรู้สึกชัดไหมชัดชัดแล้วก็ความรู้สึกใจเป็นยังไงขณะนี้ใจขณะนี้ปกติปกติปกติเป็นยังไงก็ ไม่ตรวจแล้วคะวาให้มแล้วอ๋อไม่นุกูรู้สึกการความรู้จิตใจขณะนี้คือยมฟังอรตมาแล้วยมเข้าใจแล้วก็ยมตอบสนองว่าถามอย่างไรตอบอย่างไรลักษณะนี้คืออาการของจิตมันจะทําหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็ตอบสนองในสิ่งที่มากระทบมันมีสองอาการถูกต้องแล้วแต่ให้รู้ให้ช้าว่าสองอาการคืออย่างไรอาการแรกคือฐานของความรู้สึกตัวเนี่ยเย็นดอนออนแข็งเค็งตึงระลึกได้อยู่ใช่ไหม ในขณะเดียวกันคุพ่อกาลังพูดอะไรคุณจะตอบอย่างไรนี่ ก, ก็รู้ได้ใช่มั้ยอันนี้แหละอาการของสติสัมปชัญญะมีสองอาการนี้น ะ, ะทั้งรวมก็ทั้งสองอย่างนี้เขาเรียกความรู้รู้สิบตัวเข้าใจนะอ้ะาถือไปท่านคุณต่อไปชื่นะ<ะ>มอมยุรีค่ะฮะมายุรีเนาะอ้าวคุณมายรุรีว่าต่อไปเลย เป็นยังไงพอจะสัมผัสได้ไมกับความรู้สึกมาที่นี่แล้วก็มาครั้งแรกเนือยังไม่เคยเลยอ่าครั้งที่สองครั้งที่สแล้วน ะ, ะอ๋อครั้งแรกมาปฏิบัติที่ไหนเลย ท, ที่นี่ค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วกับหลวงพ่อเองใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อจำไม่ได้เลยก็ผ่านมาหลายแสนคน <laughs> มันก็เลยทําให้เรจําไม่ได้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่มาปีนี้พี่นีรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวเรารู้จังก啊 การเคลื่อนไหวการขยับยเรื่องของเราพอเกอะไปกับวางดีมั น, มมมนเกิดโผล่ขึ้นมาด้วยว่ายกไปคิดที่เรื่องาาเก่าเรื่องอนาคตบางทีก็รู้สึกน่วงรู้สึกมันหมดมนอย่างไรในขณะที่โยมคิดแบบนั้นโยมรู้สึกสัมผัสกายสัมผัสความรู้สึกถึงกายได้ชัดไหมตอนนั้นไม่ชัดไม่ชัดเลยใช่ไหมมันก็เลยเข้าไปในความคิดคอดีตอนาคต แต่ในขณะนั้นยมลึกขึ้นได้ว่าเออความคิดเรากลับเข้ามาความรู้สึกตัวชัดๆเนี่ยความคิดตัวนั้นจะยังอยู่ไหมหายไปมันจะหายไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนบทความรู้สึกไปอยู่ที่ตาอ่าคือจิตของเราเนี่ยมันรู้ได้ทีละขณะแต่ดูเหมือนว่าจะรู้ได้หลายเรื่องเพราะมันไวความถี่มันสูงนะสมมติว่าเอาละยมเคยเห็นไหมว่าสมัยเป็นเด็กแก ม, มาชอบเอาเทียนมาหักเนาะ เพรวิ่งจากบ้านไปวัดเนี่ยมันเป็นกิโลเนาะกโลโวผีแล้วเหนมาแล้วหนึ่งแล้เอามาจุดแล้วก็หาักก้านมันแล้วก็หมุ น, มนเป็นวงกลมแล้วก็วิ่งเนี่ยเอาเอาตัวนี้นําหน้าไอ้คนข้างหน้าก็เห็นเป็นวงกลมเหมือนไฟฉายเลยนะอันนี้คือไฟฉายแบบสมัยนั้นนะสร้างเอาก็จุดเดียวเนี่ยแต่พ อ, พอหมุนไปเป็นวงกลมมันเป็นหลายจุดเป็นหลายหลายหลายร้อยหลายพันจุดเนะแล้วแต่ความไปของมันใช่ไหมจิตของเราก็ลักษณะนั้นพอหยุดปั๊บมันมีจุดเดียวพอจุดนี้ มันไปแตะความคิดพอโยมรู้สึกโยมก็ดึงตัวจุดนั้นกลับมาอยู่ที่กายมันก็หลุดจากความคิดละเพราะมันเป็นจุดๆแต่เนื่องจากมันบนอย่างเงี้ย <c oughs> บนระหว่างความคิดกับกายเนี่ยแต่ว่ามันจะหมุนวนมาแตะกายทีแตะความคิดทีแกะกายทีแต่ถ้าหากว่ามันไวอย่างเงี้ยดูเหมือนว่ามันความคิดมันจะดึงไปมากกว่าแต่พออุ่ดึงช้าลงด้วยอํานาจของรู้สึกตัวสตินี่นะ มันก็จะบนช้าลงมันเข้ามาสัมผัสที่กายได้มากขึ้นในที่สุดมันก็จะหลุดจากความคิดในการหมุนของมันเนี่ยนะเขาเรียกว่า f r e เควนซีหรือความถี่หรือชวนาจิตนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือถ้าเราเข้าไปในความคิดปับ๊บเราก็จะรู้สึกตัวเบาแทบจะไม่รู้สึกเลยหมาามว่าตัวนี้มันเป็นหมุนตัวนี้เป็นส่วนใหญ่ละพอสติมันดึงกลับได้มันก็กลับมาหมุนตัวนี้มันก็หลุดจากวงตัวนี้เข้าใจหลกักหลักการตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามดึงจิตกลับมาหมุนตรงนี้ก่อนพอมือนี้ปั๊บมันความรู้สึกตัวชัดเจนมากขึ้นละเหมือนแสงสว่างเริ่มขึ้นแล้วก็กลับไปดูเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งการกลับกไปดูความคิดขั้งที่สองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคิดละมันกลายเป็นสติปัญญาใช่ไหมัพราะนั้นเวลาโบราณเวลาเขามีใครทําให้โกรธปั๊บเนี่ยเขาบอกให้น้ำหนึ่งถึงสิก่อนใช่ไหมคือหมายควาดึงจิตกลับมาก่อน อพอจิตดึงจิตกรรมมาปับ๊บมันเริ่มได้สติพอเริ่มได้สติปับ๊บมันก็จะรู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรไม่ให้มันเป็นปัญหานี่คือตั้งสติแบบโบราณคือให้นับแล้วในช่วงปีทีกายเนมาถึงปีนี้ช่วงระหว่างนั้นช่ว ง, งนี้ครั้งนั้นทิ้งไปเลยหรือว่าทํามาเรื่อยๆ ไ, ไม่ไเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอได้เมื่อไหร่ก็ทำอ๋ อ, อได้ทําอยู่น ะ, ะแต่ไม่ถึงกับทิ้งขาดเลยเลย ออก็มีผลได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เที่ยวนี้ต้องไม่ไมทิ้ ง, งนะต้องทําบ่อยขึ้นเพราะว่ามั น, ม, นมันครั้งที่สองแล้วเนาะพอมาครั้งที่สก็ถือว่าเป็นนักเรียนเก่าแล้วนะมันก็จะต้องมีฐานรูปนามละฐานความรู้สึกตัวชัดกว่า น, นี้ละเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าความรู้สึกตัวที่เป็นทางกายเย็นด้านอ่อนแข็งเค่งตึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ควจริงมันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นตัวถ่วงที่สําคัญ ถ้าเราอาใจมาเกาะตรงนี้นะถ้าแต่จิตของเราที่ไม่มีใครมาบอกให้เราที่หรือเรื่องตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยทุกครั้งเมื่อมีอะไรกระทบปับ๊บมันจะเข้าไปสู่จุดนั้นเลยเพราะอะไรเพราะความเคยชินหรือเขาเรียกว่าอาวิชชานั่นแหละเพราะมันกระโดดเข้าไปเราไปเห็นความสําคัญของมันกับจุดนั้นเราก็เลยทิ้งจุดนี้ไป ทั้งทงังว่าวันนี้จะมาเห็นโยมผู้ชายคนหนึ่งเดินจงกรม ม, มาดูแล้วโยมกำลังเดินคิดอาหมาก็บอกเอา้าการอยู่กับความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยอันไหนเที่ยงอันไหนไม่เที่ยงความคิดกับความรู้สึกตัวสิ่งไหนเที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงโยมก็บอกว่าความรู้สึกตัวเที่ยงความคิดมันไม่เที่ยงอา้าไมคุณไปอยู่กับมันน่ะ มันเคยอยู่ว่าไงนะมันก็หลุดเข้าไปมันเคยนี่แหละเข้าไปอยู่กับตัวนั้นมันสนุกความคิดมันไปเรื่อยๆมันมันเป็นภาพเป็นภาพต่อไปแต่ความรู้สึกตัวมันมันมันภาพนิ่งๆนะมันภาพนิ่งๆแบตเตอรี่มันหมดอ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะเอ้าทีนี้ต่อไปคุณข้างหลังภาษาดียาเจ้าะชื่ออะไรนะภาษาดียา อ๋อทัศนียาตระกูลเนาะตะูลชัดโอเคเชิญเลยความรู้สึกตัวของคุณทัศนียาเนี่ยเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นครั้งแรกหลังจากมาทําวันสองวันวันนี้เข้าใจความรู้สึกตัวที่ที่คุณพ่อพยายามที่จะสื่อความหมายไหมเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจดีขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อวาน เมื่อวานทงมทเบื่อทัตอนช่วงทาได้ดีก็รู้สึกมีความสุข uh huh. สั้นมากม่งวงตลอดวัน่ยค่ะ uh huh. ก็เบื่อเยอะเบื่อเยอะแล้วก็รู้สึกเม่รามาวันนี้เป็นไงเปลี่ยนแปลงไหมวันนี้เียวันนี้ได้ดีวันนี้ไม่ม่วงแล้วก็เมื่อเช้าวันววนี้มีพี่คนหนึ่งก็สอนเทคนิค ก็จัดคำสอนของหลวงพ่อที่บอกว่าถ้าเ่ยฝันูที่ถ้าเราจับความมุ่ได้ก่อนก็ก็รีบดิบไฟวันนี้ก็เลยโชคดีว่าในช่วง <c oughs> ท, ที่เริ่มม่วงก็เริ่มไปจับแล้วก็ดิดไปโชคด้ทำได้อเออตรงนี้นะเป็นเคล็ดอันหนึ่งส่วนใหญ่เรานึกไม่ถึงนะคือพอเกิดอาการใดๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเราแก้ไม่ตรงจริงเนี่ย เรามีคนที่เขาทํามาก่อนพอจะถามได้ก็ถามคืออย่างน้อยเป็นการเปลี่ยนอารมณ์แต่เราไปเจอคําถามไปเจอคําตอบที่ถูกต้องตรงกับสภาวะเรามันก็ไปได้เลยนะมันก็จะไม่เสียเวลาอยู่ตรงนั้นแทนที่เราจะมานั่งง่วงเดินง่วงอยู่ตรงนั้นอีกนานถ้าเราไม่ทําอะไรมาเลยนะมันก็จะเสียเวลาอันเนื่นนองจากว่คุณโชคดีหน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อนอาคเรียนมิตรที่เขาทํามาก่อนนั่งอยู่ใกล้ๆก็เลยถามกันนะมันก็หลุดตรงนั้นได้ไว แลัจากนั้นมาอาการง่วการซื้อมากั น, นกเบื่อก็ไม่มีเลยใช่ไมก็ันี้เบื่อน้อยมากวันนี้ทำรู้สึกจนรู้สึกมีความสุขแล้วก็ที่หลพอสอนไว้ความสุขก็ไม่ดีเลยต้องเปลี่ยนอริยบให้มันรู้ตัวขึ้นใหมรู้สึกอะไรอุนทัศนียาโอเคพอจะจับความรู้สึกเป็นนะขณะนี้รู้สึกยังไงบอกถูกไหม ต อ, อนีถ้าลูกสึกที่กายที่ระบบตัวจะขาดระบบอยู่นะ <c oughs> คือมันปวดมันเมื่อย <c oughs> แสดงว่าเรานั่งนานเกินไปในแต่ละ เ, เย่บทุกอยากนกับอันนี้คิดเองด้วยนะเธอเขาอาจจะเป็นเพราะว่ า, าไม่ปฏิบัติอะไร เ, เลยก็เลยวันนี้พอต้องนั่งทั้งวนันต้องเดินทั้งวนันก็คงระเบิดจากที่ร่างกายเราไม่เคยแต่แสดงว่าเดินก็ไม่วิธีผัดผ่อนให้มันเบา นั่งก็ไม่พยายามผัดผ่อนให้มันเบาเอาไว้ถ้าพยายามปรับให้มันผ่อนมันเป็นกลางนะมันก็จะไม่ระบมแสดงว่าเราแช่อยู่ในอากาศหนักๆนานเกินไปทําให้เส้นเลือดเส้นรวมมันเกิดความไม่คุ้นเคยมันเลยหนักเขาเรียกว่าอะไรหนักแล้วมันมันคลายยากอ่ะเพราะเราตอกย้ำย้ำย้ำมัไปเหมือนถูกตบตบซ้ําอยู่ที่เดิมมัอ่ะมันก็เกิดการระบมแต่ถ้าเราตบให้มันเบาๆหน่อยหนึ่งมันก็จะไม่ระบมใช่ไหมอันนี้เรา นั่งก็นานเหมือนกับกดกดกดกดลงไปนะก็พยายามถ้าความรู้สึกตัวอย่างน้อยอยู่นะต่อไปความรู้สึกตัวนี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกนิดนึงก็ต้องปรับละลูกศิษย์นึงก็ปรับมันก็ปรับบ่อยๆการปรับบ่อยๆนั้นคือการละสมุทัยของทุกันะแต่การที่เรามีทุกอย่างนั้นแล้วเราไม่กำหนดรู้เราจึงละไม่ได้เพราะเราไม่รู้เท่าเราก็นั่งแช่ทุกอยู่อาการทางกายก็เกิดหนักหน่วงเพราะฉะนั้นต่อไปต้องปรับบ่อยกว่านี้นะ โ okay. อเคอชงมทาทังนี้อ่อคุณโยมคุณเก่าใช่มั้ยโยม<า>คุณเก่าโอเคยังน่าดูใหม่ๆอยู่นะคุณเก่านานแล้ว <c oughs> อเออเป็นไงบางคนรู้สึกยมชื่ออะไรวิมุนรัตวสุธวสุชาวรสุชาสุธาสุช า, าสุชาโอเคยมวิมุน มาเข้าครั้งแรกใช่ไหมคั้งแรกครับตั้งแต่ฟังเรื่องความรู้สึกตัวมนิวันสองวันมนันนรู้สึกเข้าใจได้ไหมพอเข้าใจเออเป็นยังไงเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าให้เราเข้ามาตั้เสต่เนี้ยจิตจะออกอยู่ข้างนอกอยู่ตอดฮะตันนี้ก็ที่เข้าออบตรงเนี้ยมันมันกัน มันกลับเข้ามาดูในตัวเองได้อะค่ะได้เร็วขึ้นคเคยรู้สึกกลับเข้ามาดูตัวเองแบบแบบนี้ก่อนมาก่อนไหมน้อยครั้งมากเลยเช่นเวลายุงกัดกลับเข้ามาดูทีหนึ่งเงนี้นะเวลาไม่มีเลยไม่ <c oughs> <c oughs> มีเลยเวลาอะไรมาเกาะมานี่ก็กลับมาหาตัวเอง ลักษณะกลับมาดูตัวเองแบบที่มีอะไรมากระทบแล้วกับลักษณะดูตัวเองอย่างที่ขณะที่เราทำเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกัน uh huh. เช่นมีแมงมาไต่อะไรมาตองเราไปกลับมาเกามาเก็บมาป้องกันตัวเองนี่นะอันนี้คนรู้สึกกลับเข้ามาหาตัวเองเหมือนกันนะแล้วอีกอันหนึ่งเรานั่งเรารู้สึกปวดที่ขาเราก็มาดูแล้วขยับ ความรู้สึกสองลักษณะนี่ต่างกันหรือเหมือนกันเอ่อทษใหม่อีกครั้งได้ไหมคะไม่มมีมัไหมว่า <c oughs> บางครั้งโยมนั่งอยู่เนี่ยมันมีแมงวันมาตองมานั้นมาเกาะหรือว่ามีใครมาจับลูกหลานอะไรนะมาจับตัวแล้วก็มาสนใจตัวเองหรือ มีความร้อนหรือความเย็นเข้ามาสัปดเวลาไปจับอะไรก็ตามมันเย็นเออมืหอหดมาเออมันร้อนเออมืหอหดมาเขามาใส่ใจตัวเองทีหนึ่งนะและอีกอันหนึ่งขณะที่เรามานั่งทําในวันสองวันบอกให้รู้สึกตัวามาดูความรู้สึกของตัวเองควารู้สึกตัวเองเย็นแล้วนอนแข็งเคร่งถึงสบายไม่สบายการใส่ใจของของโยมสองลักษณะเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันยังไง สอบสามวันนี้มีอะไรก็พรียามมาอยู่ในตัวอนดูจากตัวอ่อนแต่ว่าถ้าบออย่างสมอย่างที่อย่างที่ท่านอธิบายว่าพูดถึงว่าถ้ามีมอดหรือมแมลงหรือไม่มีเด็กหรือน้ำแข็งสมัยก่อนมัไปกับมอดกับมแมลงกับน้ำแข็งเลยเจ uh ้าค่ะแต่ว่าในครา้นี้ โดยเฉพาเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้จะดีมากพอบอกอะไรเนี่ยจะขิ้ง่วมากเรื่องเรื่อง <c oughs> แต่เมื่อวานนี้พะดีทําแล้วก็เหมันมาดูกับตัวเยอะๆพอทาไปแล้วมันหายง่วงขึ้นมาได้เลยออืมก็ถือว่าไวนะขนาดคุณยังไม่เคยเข้ามาเลยนะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมเจ้าค่ะ <c oughs> อืมก็ไวแล้วก็หายง่วงความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นแทนเจ้าค่ะแต่ว่าได้เมื่อวานนะ อันนี้จะไม่ได้แต่เห็นเหมือนเราเห็นมันนะว่าเป็นยังไงโอความรู้สึกขณะที่ง่วงกับความรู้สึกที่ง่วงหายเนี่ยมันมีความรู้สึกมันต่างกันยังไงพอนึกออกไหมถ้า ง, ง่วงหายก็คือมันก็เหมือนแบบตอเรามีง่วงอย่างนี้เลยคะ่ะปกติง่วงนี่มันจะไม่รับฟังอะไรเลยมันจะมืดเคลิ้มไปเลยใช่ไหมรสนิยน <c oughs> ก็ให้เห็นความต่างนะให้ชัดอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันไม่เสียหรอกแต่ให้เห็นว่าอาการคือจําอาการมาให้ได้เ อ, อืงองมันอาการอย่างนี้นะเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ๋อตื่นจริงจงอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋องงมัเป็นปอย่างนี้พอเห็นภาพสองภาพนี้ชัดเข้าชัดเข้าหนึ่งเราจะเห็นความรู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวมันมีคุณไม่โทษต่างกันอย่างไรเราก็จะหาวิธีป้องกันมากขึ้นระหว่างคิด จิตที่มันยังไม่คิดกับจิตที่มันคิดมันต่างเลยมันกาลังคุ้นคิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเช่นเขาด่ามาอย่างนี้นะมันก็คิดอะแล้วก็เขาชมมามันก็คิดแต่ขณะนี้อยู่เฉยๆเขาไม่ดาม่าไม่ชมเนาะมันก็รู้สึกเป็นอย่างไรใครเห็นความแตกต่างเหล่านี้ชัดๆแล้วจะรู้จักเราจะรู้จักเลือกสภาวะได้เพราะเออจริงๆจิตเราต้องการสภาวะแบบไหนเนี่นะร่างกายเราก็เหมือนกัน ขณะนี้รู้สึกอย่างไรร่างกายก็เมื่อยเมื่อ ย, อยแล้วก็ข้างที่เราทับเหมือนกันเมื่อยใช่ไหมเจ้าโดยเฉพาะข้างซ้ายตอนนี้ก็คือแบบทังางน้าข้างนี้ทําลน้ำหนักนี้ทับตัวทักมันขาทับด้วยสยเยอมน้องลูกขึ้นดูเดียว สมาน้หนักที่นั่งเมื่อกี้กับเดี๋ยวนี้ต่างกันกี่กิโลห้าสิบห้าต่อสิบหนึ่งต่อสามสองต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อหนึ่งน้หนักขณะที่ยืนขนานี้กับนั่งเมื่อกี้ต่างกัน 1> 1 3, หนึ่งส่วนสาม่่นิยมลองนั่งลองนั่งลงดูความรู้สึก ที่ยืนไม่ขี้หายไปใช่ไหมแต่ความรู้สึกนั่งตัวนี้เกิดขึ้นเห็นไหมเห็นความสัมผันธ์สองตัวนี้นะลักษณะการเห็นความสัมผันธของความรู้สึกยืนนั่งหนักเบาเนี่ยชัดๆเราเรียกความรู้สึกตัวนะระดับหนึ่งนะแล้วขณะเดียวกันเวลาหลวงพ่อพูดโยมตอบโยมถามเนี่ยโยมก็ตอบสนองได้ถูกจังหวะ อันนี้เป็นควรู้สึกอันหนึ่งเป็นความรู้สึกทางใจถามว่าขณะที่ตอบถามอย่างเงี้ยมันหนักหรือมันเบามันสบายหรือไม่สบายใจก็ดูดูอาการของจิตของเรารู้สึกสบายหรือไม่สบายหนักหรือเบามันอักหรือเบาดูอาการของจิตหนักใช่ไหมหนักไม้รู้มันหนักเพราะอะไรหนักเพราะว่า กังวลตื่นเนจี๋ อ, อ, อ, อ๋อถึงเต้นนักนค <ปะ S 1> ืแสดงความรู้สึกตัวยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะจิตไปให้ค่ากับสิ่งที่มากระทบใหม่ๆสิ่งที่มากระทบใหม่คือสิ่งที่หลวงพ่อยิงคําถามไปทําถามไปโยมถูกกระทบโยมก็ต้องเกิดตอบสนองและคิดใช่ไหมแล้วก็เกิดความมิต o ก, กังวล ว, ว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอันนี้เรายังยังไม่คุ้นเคยต่อความรู้สึกแบบนี้แต่พอบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะคุ้นเคยเราจะทําใจให้นิ่งได้โดยที่ไม่ ตอบสนองเร็วเกินไปทั้งจังหวะฟังไม่เกิดวิตกกังวลรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมาไวได้มาชัดเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวมีคุณอย่างมากๆเลยแต่เนื่องจากว่าเรายังมองไม่เห็นประโยชน์ของมันเราก็เลยทำบ้างไม่ทำบ้งบางนะเพราะฉะนั้นต่อไปพยายามเก็บบ่อยๆนะจากความรู้สึกแคชั ด, ชดบ่อยๆ อ, อายุ์ไปให้คุณยายข้างหลังนั่งดู ปานีแ่ อ, อนะ้อค่ะปานีโอ้เสียงชัดเลยนะปานีลิมเทียมศิลาคนเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะอรนนี้ใช้แท่ค่ะไม่ได้ใช้ลำเสียงคนอะไรใชแทะในนี่ไม่มีคน <c oughs> อ่า <c oughs> ชื่อปานีเหมือนกันนะ <c oughs> ปาณีเนาะโยมปานีใช่ไหม <c oughs> ปานีสองคน <c oughs> เดี๋ยวลวงพดูก่อนนะว่าเล่าแต่ในที่เขียนนี่มีคนเดียวนะเดี๋ยวเขาดูก่อนหรือว่าจะเขาไม่ได้ลงให้เขาดูปราณีอีกปรานีขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ดูอ๋อในบัญชีนี่ไ ม, น ไ, ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีปราณีแซ่เลยนะ อร์ค่ะแสหอรอ๋อนี่นลืมคนสําคัญไปเลยนี่เนี่ยอ่ะโยมแม่ปานีอายุป่านนี้แล้วรู้สึกเวทนาในร่างกายเนี่ยมีมากไห ม, มความรู้สึกไม่สบายในร่างกายไม่ค่อยมีมากเลยอยากจะทิ้งเลยให้ทิ้งเลยนะยแสดงว่าปฏิบัติมานานแล้วก็ไม่ทราบโยมแม่ปฏิบัติแบบไห้มาก่อน ใช่กรรมฐ า, านนะทำแบบไหนแบบน้อแบบพุทโทแบบสมมาลหังแบบยุบเนาะ อ, องเนาะพุโทโธพุโทโธปิจารณาพุทพุโธนะธรรมนานไหมตั้งแต่เป็นสาวละหรือว่าเพิ่งมาทําตอนอายุมากนี้ค่ะไป เ, เรื่อยๆ เ, เ, เ, เก็บไปเรื่อยๆนคะ่ะเก็บไปเรื่อยๆนะจำได้ไหมว่มาเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนที่มาศึกษาเรื่องนี้มาศึกษาพุโทโธเนี่ยอ๋อที่ศึกษาตั้งแต่ตอน ยังมีครอบครัวแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วไปเรื่อยๆค่ะแตเรื่อยๆครอบครัวแล้วประมาณอายุสักสามสสี่ิบหรือห้าสิบนะคะประมาณจำได้ไหมประมาณอายุเท่าไหร่ที่คุณแม่เริ่มอเริ่ม ห, หนักๆก็ประมาณสิบแปดปีที่เราทำกันอายุสิบหกเลย อ, ะ, ะ, อะย้อนไปดีสิบหกปีเกิดตอ น, นอายุประมาณเท่าไหร่ประปาสิบ อ๋อเริ่มต้นประมาณ60สิ่าแล้วใช่ไมโอ้เนี่ยคุณหมูเพื่ออายุ1ิฝ่ายี่บ่าเนี่ยได้เปลี่ยบคุณยายเยอะเลยถ้าอายุเธอเออเยอะเลยใช่ไหมสิยหตอนนี้ก็เจ็หรือแปดสหกสิอะะนะเออก็ห0สิบก็ต้องเกือบ2ี่ปีแล้วดิใช่หมสิบห6ปีนะก็ ทำมือเข้มนี้นะแต่ความจริงสนใจเรื่องนี้มานานกว่านั้นอีกอแต่เพิ่งมาทําอย่างที่งจริงสิบหกปีเนี่ยฐานตัวเนี้ยมีมากพอที่จะจิตให้คุณแม่นิ่งได้แต่รู้สึกมาสัมผัส ต, ตัวนี้แล้วจิตมันเหมือนกับมันจะความรู้สึกมันต่างกันยังไงกับที่เราแบบพุโทโธทำมาก็ความรู้สึกมาทำเลยจิตนี้จะแลกไม่ได้เลยพอแลกก็ผิดอเลยถ้าจิตถ้าจิตแลกออกไปก็ผิดเลยนะเอ ยังมีความตั้งใจแต่ว่าวันนี้ทําได้นานไหมอันนี้ทําได้ดีมากเลยค่ะนะอันนี้ทำได้ดีมากเลยมีสติตั้งยนต่อเนื่องเลยนะ อ, นอะไม่มีฐานมาดีมาถานมานานเพื่อจับต่อยอดเท่านั้นเองนะมันก็ไวแต่ว่าวันนี้ง่วงบ้งไหมนิหนยง่วงนิดหน่อยง่วงตอนบ่ายอืมแล้วเดินระหว่างนั่งกับเดินทำอะไรมากกว่า นั่งมากกว่าจะะนั่งมากกว่านะแตลล่ร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ระบบอะไรเลยทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยนะอ่าเนี่ยทํานั่งมานานนะอันนี้คือในแง่ของสมถะให้ทํามาแล้วแง่สมถะทําได้ดีเพราะมาต่ะยอดตัวนี้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าความคิดปรุงแต่งอะไรนี่ทิ้งเป็นไหมทิ้งเลยนะไม่เอาอะไรค่ะกระต๊อบนิดหน่อยัดเลยนะัดเลยอ่าเห็นไหม อันนี้เรียกว่าเป็นทัางสมถาวิปัสนาได้เลยถ้าตาัดคือถ้าสมถะเนี่ยสามารถจัดการในความรู้สึกทางกายที่ไม่สบายทางกายได้เร็วแต่ถ้าเป็นวิปัสนาจะสามารถสลัดความรู้สึกทางจิตที่มันเป็นที่ไม่ต้องการนะได้ไวก็เป็นทัางสมถาวิปัสนาคือถือว่ามาเป็นกําลังใจให้ลูกหลานกันแล้วกันเนาะอ่าสาธุเข้าอนกันอ่าสาธุอ่าขอคุณแม่ข้างหลังอีกคนหนึ่งคุณแม่อีกคนนึ่ง อ่านนงนะคะอ่นนงคว่สนใจวัดนี่ค่ะอ่านนงนะค่ะโอเคยมออนเป็นไงบ้างเคยทำมาก่อนไหมหรือเพิ่งมาครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้ค่ะแล้วใครพามาลูกสาวลูกสาวด้วยนะคนไหนลูกสาวศนิยาอ๋อเหรอโอ้สริแม่มานี่เป็นวันแม่ทาบุญวันแม่ได้จริงๆริงแล้วก็อะไรยนนวิทยามาด้วยยนวิทยาด้วยนะ รู้สึกเป็นไงวันนี้นั่งปฏิบัติแล้วความรู้สึกตัวดีไหมวันนี้วันนี้ดีมากเลยค่ะวันแรกแต่โอนักเลยแล้ววันที่สองก็ดีเป็นช่วงบ่ายนี่ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยนะค่ะแต่วันนี้วันนี้ไม่ง่วงเลยครัดีร็วนี้ดีเท่านี้วันที่สองหรือวันที่สามีสามนะคะไม่สามแล้วทำไมไวยังนึกว่าวันที่สองวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยช่วเช้านั่งมากเลยค่ะ แล้็พอตอนเย็นๆเนะียมันรู้สึกตัวดีมากเลยค่ะแวันนี้ยิ่งดีใหนี่ดีแน่เด้ดีค่ะนี่เห็นไหมมีแต่คนมีบุญนะี่มันปฏิบัติแล้วได้อารมณ์แค่สามวันได้อารมณ์เลยวันนี้ลิงก ว, วงเลยไหนไม่กวเลยนะก็ขออนุโมทนาคุณแม่เลยน ะ, ะสาธุพอรีเวลาหมดแล้วหลวงพ่อคูดเอาไว้แค่นี้นะเกล้สามทุมแล้วพรุ่งนี้กวรจะตื่นสายนะ ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ตั้งใจให้ความกระจ่างรู้สึกชัดขึ้นถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานชัดๆไว้เสมอนี่นะถ้ามีอะไรมากระทบกระแทกมันจะกระชากจิตของเราไปแว๊เดียวต้องขิดดึงกลับของมันเองความรู้สึกตัวที่เราตอกย้ำมาเข้ามาเขามันเหมือนแม่เหล็กมันมีพลังจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับตะปูนะที่มันมีอีกอันหนึ่งวัตถุอีกอันที่มันดูดไป แต่กําลังความรู้สึกตัวที่นี้มันจะดูดกลับแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะอย่างอย่างคุณแม่นี่ยเคยปเดี๋ยวบัมาก่อนใช่ไหมเพราะอะไรไมันปั๊กมันก็ดึงจิตกำลัมามก็หลุดละแต่ถ้าความรู้สึกตัวทุกพร้อมของเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่แรงพอเนี่ยจิตของเราที่มันถูกวัตถุข้างนอกดูดไปเนี่ยมันจนไม่รู้นานเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นจะดึงมันกลับทันทีมันยากอยู่เพราะหน้าที่ของเราคือพยายามไปสร้างตัวไม่เหล็กตัวนี้ยให้มีกําลังมากขึ้นนะ แล้วเราก็จะได้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีขวัญและกำลังใจที่สมบูรณ์ด้วยคนด้วยกันทุกคนทุกท่านถืนอนีแล้วกลาบ พ, พร้อมกัน